หนึ่งนับคืออย่างหนึ่งนับคือหนึ่งใจสองนับอย่างกายกับใจสามกายาจใจสี่ธาตุสี่ห้าขันห้าหกตาหูจมูกเล่นกายใจเกตอริหานิยธรรมเอย่างทำไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพ่อความเจริญฝ่ายเดียวเลือกอัปริหานิยธรรมมีเกดอย่าง หนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดสองเมื่อประชุมก็พ่อมเพียงกับประชุมและพร้อมเพียงเมื่อเราประชุมก็พร้อมเพียงกันแลิวและพร้อมเพียงเพื่อกันทํากิจที่สงจะต้องทำสามไม่บัญญัติสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอย่างละเอียดาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สีพิชซุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสง์ เคารพนับถือภิกษุนั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่านห้าไม่รู้อำนาจแก่ความยากที่เกิดขึ้นหกยินดีในเสนาชนะป่าเก็บตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนพิกษุสามเณรที่ยังไม่ผู้ซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่สู่อาที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเจ็ดอย่างนี้ มีประจําใจท่านผู้ใดอยู่ผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว่นะายพระพุทธศาสนาได้เยแปดนี่อัตถังทิกรรมะฆะแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามูสัมมาสติสมาสมาธิเรียกว่านับถึงแปด เก้าโลกุตะ 9, 4, ละสามเก้ามรักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งสิบที่กุศลกรรมบทตรสิบกับอกุศลกรรมบทตรสิบให้เวน้นอกุศลกรรมบุตรสิบสร้างกุศลกรรมบทตรสิบฟ้ากุศลกรรมบทตรสิบคืออะไรกายกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามนายเป็นฝ่ายกุศลเรียกว่ากุศลกรรมบุตรสิบนฝ่ายบาป ก, ก็ตรงกันข้าม พระพุทธศาสนายัางอยู่ยังเยินยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยพระพุทธศาสนาที่นาตลงไม่มีใครปฏิบัติชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนมอดม้วยสุดสิ้นสกุลพุทธใครรานใครรุกด้าวเดนพุทธผู น, นั้นจะไม่พบทางบริสุทธิ์จนถึงวันตายผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่มีกิดสูงใจสูงถึงจะมีเพียงเขาโคก็ว่าตามพวกที่ไม่ถือศาสนาก็ถือไม่ถือพระพุทธศาสนาก็มีเพียงขนโคแต่ก็ฝากไว้พระพ่อเจ้าองค์อื่นๆในอนาคตท่านมาท่านมาเจ็บไปเทียเล็กแลวน้อยพระพุทธเจ้าทิร่ลงไปแล้วมากกว่าร้อยโกดอนเนกสะตะโกตะโยตะโกตะโยนี่เป็นตัวต่อประตัก แปลเป็นไทยว่าเพราะพระเจ้ามากกว่าร้อยโกรธทะสิเรื่องไปแล้วที่จะมาในครั้งหน้าก็เหมือนกันมีทำอันเดียวกันมีพระมีนายอันเดียวกันไม่ได้ลกล้างพรบรเลยไม่เหมือนกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกของชาวโลกเปลี่ยนแปลงยกัยกษย่าไประเร็งเสม อ, สมอเพราะมีแต่คนกิเลสตั้งกฎหมาย ใครตั้งขึ้นก็เข้าข้างพักข้างพวกของตัวไม่เหมือนพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาตั้งกฎของธรรมขึ้นสอนโลกก็ตั้งตามธรรมมาทิปไตยไม่ได้ตั้งตามอัตตาทิปไตยไม่ได้ตั้งตามประชาทิปไตยพระบรมศาสดาไม่เข้าข้างตัวเพราะท่านไม่มีกิเลสเข้าข้างธรรมโต้ ง, ตองสอนคราว่าก็สอนหมดไม่มีคำสอนใด ที่จะยิ่งไปกว่าคาสอนพระพุทธศาสนามนุษย์สมบัติสอนเต็มภูมิแล้วสวรรค์สมบัติก็สอนเต็มภูมิแล้วพรหมสมบัติก็สอนเต็มภูมิแล้วนิพพานสมบัติก็สอนเต็มภูมิแล้วสิ่งที่เป็นเส้นหนามของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติก็สอนไว้แล้วอบายมุกเป็นเส้นหนามของมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติอีกร้วยแต่พวกเรามันดือ้อมันไปล่วงละเมิดกรรมและผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนาะไม่จบเกษียณผู้ทําดีความดีก็ส่งต่อทุกชาติทุกภพไม่จบเกษียณดีน้อยก็ส่งตามน้อยดีมากก็ส่งตามมากผู้ทําชั่วก็ตามไปทุกชาติทุกภพ จนชาติเข้าสู่พระเนปานเช่นพระบรมศาสดาไปวางยาเขาผิดคนไข้ตายแต่ไม่มีเจตนาถึงอย่างนั้นพระบรมศาสดาในชาติสุดท้ายก็บรรดาไปฉันหมูง่วนของนายจุณฑะกมารบุตรสักเซพระเนจรไปเมืองกุสินาราในวันนั้นตื่นเช้ามาองค์ท่านก็สิ้นลมปราณ ในสารวโนทยานแห่งป่าไม้สาระป่าไม้สาระแปลเป็นคําไทยว่าป่าไม้มรังมู้โตมาได้สายเหีม่มาซะมาบั้ท่านบ่พีซ่าใ้เข้าเคยบอกมีคนกลายมาบ้านมาเฮื่อนทวงข้าเจาเ้าได้ข้าเจ้าจังมาจากอายาสาายานันพี่่ายห้เขานี่เฮ็ดนาคือมือขี้มีมู่ บ่ท่วงว่าสันพนว่าข้าเจ้ามาว่าท่านเขากขยากอายงานบ่ออกห้อยคนเต็มยุ่งจังสิกระท่วงข้าเจ้าแน่ละบ่ผู้มาบ่ท่านม้วนเคือกันน่ะมาใส่บาดเข้าใเข้าเจ้าเสียใจแนเขาเจ้าโกรธขึ้นมาเออเหี้ม้าเหี้ม้าท่นกันหัวก็สันสองสาค่ำหนึงดอกบ่ท่นแม่นไก่สีอิ่มก็อดไว้ก็ได้ท่นเพราะยานเข้าเจ้าขยักอายเพราะเข้ายู่หน้าการจีนหินการก้อนเออยกหอก ตัดเค็บของประเทศของจังหวัดต่อจังหวัดหา้าสิบไปโอหังมังคโลคือวัดเผลราชยางเขาวัดผลผายมาว่าท่านก็ไม่รู้กับหัวมันนั่นแหละมันก็บม่ได้อันนั้นเขาคงจกกระกราเทศาเขาได้เราบอกขึ้นเขาลงห้วยคดเขียวเลี่ยวลําบากมันบ็เหมือนวัดหลวงปู่มหาหลวงปู่มหามาบ่าท่านก็นยาเจ้าเราบอกมันทั้งแปลงคือหัวล้านนีย เคยพ่อมี่ฟิสิธิธาเจ้าไว้สัน่นอันนี้กะตีต่างธาเรียแล้วอืตลาดประยทุทิพย์เดชมดเอ๋มีอันนั้นเพื่อนกะนั่งเข่าตลาดด้วยสัน่นจะคุณทำไมเกดีเพื่อนเคยห้าให่พกรรมฐานกรรมฐานนี่ขันอาหารหลายวะสัน่นมันกระท่ำธาเป็นคนสันโดดมักน้อยวะสัน่นเพื่อนลูกเพื่อนเนลูกกรรมฐานเพื่อนห้าให้ให แล้๋วคนทำมาแกดีขันอาหารน่อยมันผนว่าเขาบ่มีปัญญาเอามาให้โบอิมมาท่านมันบอพ่อดี่าท่านเพิร่ลเพิ่์ให้ให้เรื่อยอายุให้กรรมฐานขันไม่พุมายามมันผนว่าวุ่นมาท่านเพิน่ะขันบ่มีพุมามันผลว่าขาดเพี้ยขาดร่องมาท่านไร่ยาบไร้เม็ดมาท่นมันบ่กพ่อดีกรรมฐานเนี่ย่านทาไปแท้หรอวดไปหัพระกรรมฐานเห็นหรล่ะ ลูกศิษกรรมฐานเนี่ยมันดีพระเนี่ยพราว่าลูกศิษย์พระนักเรีนผ่านไปตามถนนมันก็ไม่กราบไม่ไหวไม่น้าซ้ํามันไม่เปรียกด้วยพระท่านบอกว่าลูกศิษย์กรรมฐานเนี่ยมันดีย่องกรรมฐานได้หรอแต่คนณธรรมเจดีคนทีไม่หลายผ่านไดกระชางกันท่องอยากยนเ่องก็ยนได้ยนรับเป็นธาตุดินหน้าไฟร่มซะในส่วนกายเนี่ย ในส่วนใจกะของไผ่ของมั่นของั่นหรอกผู้ใดสร้างบุญร้ายก็ได้บุญร้ายผู้ได้สร้างบุญน้อยก็ได้บุญน้อยผู้ได้สร้างเสื่อเล่ยก็ได้อันนั้นยกขึ้นรอดจะได้นกขึ้นรดพาคกรรมฐานพุทธวันกันสันหรอกมันมาคือพานักเรียนหอกพานักเรียนเชื่อเหนือบนไหนกระกองอยู่บทฐานในจ้างก็บม่ยืนไปเรื่องเราเอาอัน มอหุ่หมอเอาสันดอกเข้าขันเพื่อให้เปรตได้สันส่วนจะฝ่ายจะคุณบอบวายเพื่อนดอกอันนั่นองเพ่นต่างหากกันส่วนพระน้อยพระเร็กเข้าวงจักรกีดังลิงดอกว่านัส่วนจะฝ่ายจะคุณเพื่นเกียรติทองเพื่อนนกท้องเพื่อนยกอุปเท้าเพื่อนนั่นยกเสกเก่าใสกมอมไว้ส่วนครูบาอาจารย์สั่งง่ายบอกคุณพระชุ่มหน so ่อยพาจักรกีดังล่งดอกมือถือตรวจตรวจเพียงมือดอก อยากทุกข์ให้เลนเลขได้หลายอยากเก็บหายไห้เลนเลขบ่อยเงืนเดือนเกิดม่าอไรก็ว่าพ่อใส่หลลูกหลานเลยเอาไปเลนโบกเรียนวิทย์เวิเงินเดืน อ, น อ, อนพันละมื่สองหมื่นวได้เนี่ยผัวใช้ของหน่อยๆด้นี่พผวได้จังได้พระสวสดาบันเห็บเอาเงื่นพเอาอยากได้เดียวเนี่ย เว้นไว้แต่พอต้องเรียนคันสีต้องการสิ่งใดที่เขาต้องการมันบ็เป็นของง่ายสิ่งใดที่เขาไม่ศรัทธามันก็เป็นของง่ายคันว่าไม่ศรัทธาละปานแก้ไห่ทั้งปายเลยอีพ่ออีแม่กูเอ๋ยอือไม่กันบ่หอนเ่าอยากแก้สำหรับเมย์คันไม่ศรัทธาละเป็นของง่ายมากอย่างนียังเป็นของง่ายเพราะควบพ่อใจควมพ่อใจควบมาพ่อใจเป็นของสําคัญที่สุด ขันมม่ใั่ธาล่ะนางเบงเทวทัตโทรทัตมัดขึ้นหอมเหมือส้สาอกระดรแม่นบอเทว <c oughs> ทัวทตโตวลูกพุทหาเอินเทวทัตกระสินฮองกัลเอิญน้ำเพลินขันบ่พอใจล่ะบ่มีเนี่ยสาเร็จมั ด, มดว่ามอยมอยแสนที่ออยกับปันดาวแสนเพลนว่า ปั้นขา้าวไฮก็ปั้นไม่ไล่ตีแล้วท่านอันเดียวก็ทแล้วหมาบ่กินยาญาติคมข้อหัด ก, ก็ท่านหมูบ่กินห่อมญาตีดังให้มันเวอร์ท่นโบราณเพื่นว่านะก็คือผู้บ่ม่ศรัทธาในพุทธศาสนาอนะ่ะมันมีอิสระตัวคนเท่ามีอิสระย่าด้ตัวตัวเป็นของทิพย์ตัวเท้ามาแังได้เท่าก็เลือกได้เอาว่าเท้ามาจากจะถือศาสนาพุทธเท่ากับจะถือเท้ามัายาก จะถือศาสนาผีเท่าก็ได้ถ <isan> ือเท่ามากับถือศาสนาออื่นเท่าก็ได้ถือมันเป็นของคิปแต่ว่าให้ยผลต่างกันควนให้พ้ดีพ้นชวนแล้วด้แต่พู้สิยงไม่ปัญญาธรรมัญยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัตถันยุตตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ อัตตันยุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชาติตกูลยศศักสมบัติบริวารและความรู้คุณธรรมเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรประพฤติตนให้สมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรสี่มัตตันยุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการแสวงหาเครื่องลี้ยังชีวิตแต่โดยทางที่ชอบห้ากาลันยุตาความเป็นผู้รู้จักกาละเวลาอันสมควรในะอันประกอบกิจนั่นนั้นหกปริสันยุตา ความเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกิริยาที่ประพฤติต่อประชุมชนนั้นนั่นว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทำกิริยาอย่างนี้และจะพูดอย่างนี้เป็นต้นเจ็ดปรุระประโรปัญยุตาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควรครบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครบเป็นต้นนี่ทำของพระโสดาวันต้องปฏิบัติอย่างนั้นพระโสดาวัน ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศินห้าไม่เสียดายอยากเล่นอบายามุกไม่เสียดายอยากกระถือศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากจะถือเวทมนต์กลละคาถาไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสั language, สตว์เป็นรายเนื้อสัตว์เทตัวข่าเพื่อเป็นอาหาร ค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้ายอย่างนี้พระโสดาบันไม่ได้กังวลเลยเครื่องดักจับน้ำจับบกองค์ท่านก็ไม่ทําไม่เสียดายอยากจะทําถ้าไม่เสียดายอยากตระทจะทําแล้วมันก็ไม่หนักใจทําไมถึงไม่เสียดายเพราะจิตใจเห็นดิ่งลงว่ามันไม่เป็นประโยชน์ ถอนไม่ออกเมื่อมันดิง่งเห็นดิ่งลงว่าไม่เป็นประโยชน์ถอนไม่ออกแล้วมันก็ไม่เสียดายอยากร่องละเมิดเมื่อมันไม่เสียดายอยากร่องละเมิดมันก็ไม่นักใ จ, จนี่เพราะมันเห็นชัดด้วยปัญญาจักษุจักษุคือปัญญาเพราะเป็นญาปัญญาเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาะพระศีลเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาะพระสมาธิตั้งมัน่นเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาะ ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ถือศาสดาอื่นเมื่อตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าแล้วมันก็เป็นศีลานุสติและลึกถึงศีลของตนอยู่ในตัวเมื่อตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ถือศาสตาอื่นมันก็เป็นธรรมานุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอยู่ในตัวโดยตรงๆจะเปล่งอุทธานออกหรือไม่เปล่งก็ไม่เป็นปัญหา มันอยู่ในวงนั่นแล้วนั่นคนเราเกิดมาไม่ปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาผู้นั่นเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอะรามาเจตยาีิมนุษาพยาตัชิตาเนตังโขสรานาังเทมังเป็นสนะอันไม่ประเสริฐเอาต้นไม้ภูเขาเป็นที่พึ่งโยจะพุทธันจะทรมันจะสังคันจะสรานาังขะโต ผู้ใดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอิเดวะดังผัสั่งสันติเปตจะสักเยปโมะติติเมื่อละโลกนี้แล้วไปบันเทิงในสวรรค์นั่นอย่างต่ำแล้วเนี่ยอย่างสูงก็พระสวสดาวันสูงขึ้นไปอีกก็สักคาคามีสูงไปอีกก็อาณาคามีสูงไปอีกก็พระลหันจบจิตพระพุทธศาสนานถ้าเบื้องต้นถูกนีเบื้องปลายก็ต้องถูก เหมือนทหารเขายิงเป้าถ้าปลายกระบอกปืนของเขาตรงเป้าแเลยมันก็ถูกถ้าไม่ตรงมันก็ไม่ถูกยิ่งไปก็ยิ่งไกลพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดวงใจของแต่และท่านและบุคคลนั่นเองบุคคลผู้ไม่มีใจก็ไม่ ม, ม, มีอุบายจะเลื่อมใสพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาก็เป็นเชือกสามเกลียวอยู่ที่ดวงใจถ้าถือผีผีก็อยู่ที่ดวงใจเพราะใจเป็นผู้ถือคนตายถือไม่เป็นเพราะวิญญาณมาอยู่ในที่นั้นบางท่านก็บอกว่าลูกปู่ลูกปู่ไล่ผีออกให้หลานด้วยเออไล่ผีก็ต้องไล่ออกจากใจสิ ลูกร้านเอ๋ยเพราะผีอยู่ที่ใจถ้าใจไม่ถือผีก็ไม่มีบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทาผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำกิเลสไม่มีแก่พระหันความสงสัยในพระพุทธศาสนาไม่มีในพระสวสดาบันเมื่อความสงสัยในพระพุทธศาสนาไม่มีแล้ว ท่านก็เดินรุดหน้าเลยไม่รีดออกซ้ายแลยขวาไม่ถอยหลังด้วยก็เดินรุดหน้าจะช้าหรือเร็วก็ไม่หนีจากหนทางคือหนทางใจหนทางสติหนทางปัญญาแล้วมาเปรียบหนทางภายนอกเหมือนรถเรือเดินแต่หนทางภายในหนทางสติหนทางปัญญาหนทางใจที่เรียกว่ามัคโคมัคคังมัคโคแปลว่าหนทาง เป็นคําภาษาบาลีเป็นคําภาษามคตคําว่าหนทางก็เป็นคํากลางหนทางไปทางนรกก็เรียกว่าหนทางหนทางไปทางผิดก็เรียกว่าหนทางถ้าอยากจะให้รู้ว่าหนทางไปทางถูกหรือหนทางไปทางผิดก็ต้องเพิ่มเข้าอีกว่าหนทางไปทางพระพุทธศาสนาธรรมศาสตร์สนาสังฆศาสตร์สนามนุษย์ก็เป็นคํากลางเหมือนกันมนุษย์ผู้ดีผู้ชั่วเขาเรียกว่ามนุษย์น ทำก็เป็นคำกลางเหมือนกันถ้าเพิ่มกุศลรมเข้าก็เป็นทางบบุญถ้าเพิ่มอกุศลเข้าก็เป็นทางบาปถ้าเพิ่มมรรคผลนิพพานเขา้าก็เป็นทำไปทางมรรคผลนิพพานใครเป็นผู้ใส่ชื่อเรือนามบาปบุญคุณโทษถูกก็เพราะพระพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นผู้ใส่ชื่อเรือนามบาปบุญคุณโทษถูกเพราะพระสัมมาทัมพุทธเจ้าบัญญัติถูก เพราะท่านไม่มีเกเรตนอกากาพุทธมาพระพุทธเจ้าแล้วบัญญัติบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ถูกผิดผิดเป็นส่วนมากเช่นบัญญัติว่าฆ่าสัตว์ไปสวรรค์ไม่มีในพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าฆ่าเกเรตของตัวด้วยพระปัญญาพระสติปัญญาซะเดียวกว่าฆ่าฆ่าพ่อฆ่าแม่คือพ่อแม่เกเรตมันเคย เป็นพ่อเป็นแม่ของเรามานานแล้วฆ่ามันด้วยพระปัญญาช่เอาความฉลาดฆ่าความหลงฆ่าความโง่สันผูอย่างนั้นนอกจากฉลาดไม่มีอะไรจะฆ่าความโง่ได้นอกจากสว่างก็ไม่มีอนไดจะมาไล่มืดนี้ได้อันเดียวกันหัวออกไปค่อยนอกเห่นจะขอกสาราในครูหาเทือนถ่อตายดึกหนามในน้องล่มฟัด้องหนียอง เงือกไข่จองร่องว่างนำอัดดังเขาทองตายทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็แม่ลืษอุ่นโลจักพระพุทธเจ้าศาสตรเป็นพระเวชชันดอนหน้ามาที่หายหาลูกผัวรักท่านลูกเมียเราไปหาหลักไม้หัวมันดูมาบ้านมน้าเฮือนเราเห็นเ่าเห็นลูกมาบ้านมาซาลาเรเห็นลูกผัวท่านลูกวัดทามันเท่า่ะคาก็ตายค้าข่าผู้เนี่ยมันเท่า เราบอกว่าปากซ้ำๆลูกเขาเดีลูกเขาเดี่ยทำว่า ป, อ ป, ป, อปากซ้ำจะซื้ออยู่กปากลักไปรักมาลัไปรัมายืดออกไรเชี่ยวายอดมัดขึ้นยืดทางออกไรเชี่ยวหายอดมัดขึ้นเชี่ยวหายอดยอดหนึ่งมันสีร้อยเซนเชียเ่นนชยวห้าสี่เป็นหกสิบมันหกพันเซนหกพันเซนไม่เป็นจักรย์กิโลเขาซีไปหารมึงรู้ สีหนึ่งเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกหารยี่สิบสีห้ายี่สิบหารขาดตัวเติมศูนย์บ่ลอยหาสิบโรกแม่นบ่เดี๋ยวหายไปผูกอเลกได้เจ้าจะเกี่ยวหายตายอ่ะบอเยอกกว่าว่วาวได้ตดออกกระต้นตว่าได้ห้องได้สิสบสอบ เม่บอกไว้ก็ได้โย่พัดก็บอกกูแล้วกวงแหตวะสั่นเขาจังบอกเพียงโทษคนว่าบอกรอะไรแต่ว่าได้เขาเพียงโทษคนโรคเน่ยผูกแล้วให้คนโรคเน่ยผูกแล้วถือว่ดถือเขาเอาอาวุธมาแจะวัดมันเสียเกียรติผ้ากันผูกนะย่าผ้ากันผูกออกกูเอามาวุธจะวัดพู้จักกอดวัดถือก็สั่นกูเอามาวุธจะวัดพู้จักกอถือวัดเสียทั้งสองทางนะถือก็เสียว่ดถือก็เสียยาพากันผูกกระลูกหลานดนะ คนหักล้อมปูจะพากันมาเอาผูกผูกเอเล็กตัวนี้เขาดูถูกเยันท่าล้อมปูว่าเป็นพระเลกข้นสั้นสูงค่ายสัทท่าตัวเข้าใจบะเช่อมันมาเปนท่านูตัวใไฮระมัดระวังพากันมาจะพากันมาผูกอเล็กขันมาผูกเอเล็กแล้วมาคาล้งมปู่หละเดี๋ยวเขามาทําลายล้อมปูว่าจะผูกไปกูผูกว่าจะพูดจะก่อไม่ได้หาเป็นยังเพระว่ากูผูกว่าจะพูดจะก็ได้แล้วเพราะว่า เียทั้งสองทางอันถือกระเสียว่ถือกระเสียกันเขาท่องแต่ปลูกอ่ะเขาว่าได้ว่าพวกนี้ผูกก็บอะเขาบอกว่ายักคู่คนนี้บอกฟังยากไรนะเพราะว่ายักคู่บอกกูจะสูงแต่ว่า้าไปเที่ได้บอกขี่แตเรือี่ยังมั่ไปเทวสำหรผูกอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้ต่อไปอีกขั้นม่เาไ่เห็นลูกเห็นเต้าเมื่อคืนหาลูกอ่ะำมาสมัญน หาเรื่องแท้ซ่ำเขียวคำเขามาเฮื่อนด้วยรัศมีเดือนดาวดูยากดูลากแท้ดีลีใครจะหูใจนั่งมาที่ก็ยิยนยากห่วยว่านั่งเล่นลากไร้ประกาศแม่ปลาหิมพันเหลงหลาไม่คนกล้าเรียที่พระยาทอนพระเน่จอนแม่ปลาไม่เขาใกล้แล้วก็ก้าวมาห้ากระทําขยับตาและมือกวักฝาด นี่คิวฟาดเนื่องนั่นนา่งกระทาการสันได้ไผกับบไม่หู้นั่งเรียนสู้ไผกับอ่อไม่เห็นเป็นสันได้รู้ลากพิษภาคเบืองบูร่านยิ่งผู้เดียวแล้วมาเที่ยวในเทือนบอไม่พร้อมเพื่อนพ่อสองเพื่นหาเรื่องใส่เมียเพื่อนมัดทัดนี่จักซักอุ ป, ปมาเปรียบเพื่นอนนั่งมาเที่ยกนเนอร์นี่เพื่อนพ่อแม่นี่เววนี่ยนี่ด้วายยุ่เนี่ยเพื่อนเป็นพระเวสสันดร บ่มันบอกขวนพนบอกว่าข้ารบเนี่น้าเสือีจังนี้จากดอยเพราะว่าดอยนั่นบ่มีทำคู่หาป่าจังนี้จากน้ำเพราะว่าน้ำนั่นบ่มีตมซิทสมจังนี้จากคู่เพราะว่าคู่นั่นหาสติปัญญาสอนตนไม่ได้นกจังนี้จากต้นไม้เพราะว่าต้นไม้นั่นบ่มีกิ่งงาสาขาอันกวงสร้างจังนี้จากเทือนเพราะว่าเทือนนั่นบ่มีไม่บง หงจักนี้จากสาเพราะว่าสานั่นไม่มีดอกบัวนกหงพวกยิ่งจักนีจากผัผวเพราะว่าผัวนั่นไม่มีสมบัติเขาของอันพุ้งยิ่งจักเป็นแม่ห้างแม่ไม้มยิ่งจักเป็นแม่ห้างพา่อเรียนสู้กับดอมผัวเลยนะท่านมัททัสนี่จักซักอุ ป, ปมาเปรียบเทียบหน้ามาที่กนเดอร์นี่คนพมานี่แหละนี่ได ว, วายู่นี่แผ <c oughs> ่นเป็นพระเวสสันดร บ่มันบอกขวนคนต้องบอกเขารบนี่น้ <c oughs> าสติจั้งนี้จากดอยเพราะว่าดอยนั่นบ่มีทำคู่หาเนี่ปลาจั้งนี้จากน้ำเพราะว่าน้ำนั่นบ่มีตมศิษฐสมจั้งนี้จากคู่เพราะว่าคู่นั่นหาสติปัญญาสอนตนเมื่อไรนกจั้งนี้จากตน้นไม้เพราะว่าต้นไม้นั่นบ่มีกิ่งงาสาขาอันกวงสร้างจั้งนี้จากเทือนเพราะว่าเทือนนั่นบ่มีไม่บง ล่าสหงจกักหนีจากสาเพราะว่าสานั่นมันมีหลอกบัวนกหงผูุ้ยิ่งจกักหนีจากผัวเพราะว่าผัวนั่นมันมีสมบัติเขาของอันพวกยิ่งจักเป็นแม่ห้างแม่ไม้มยิ่งจักเป็นแม่ห้างพ่อเรียนสู้กับดอกผัวแลยนะพี่ฉันขมุล้มโลมโล่าอันพนว้าไหวบัดนี่มาได้แกนัง่งแกนไทยมัด ท, ที่สะนอพี่ฉันหาเรื่องให้ซ้ำ ม, มันเหระฉันพูดจย่นึ้ขากระต่าย ไอ้ลูข้าวปใส่รูข้าวปไใส่จังเขารบอยู่ว่าสั่เตือนมาเช่ามันจังบอกหาวัดขึ้นหากระเป๋าใหาไปหาไก่ได้เล่หาน้ำท่างนั่นแะไปถ้าออกทะเลวันหกจตายไปหาปลาานหัวมันก็ไปน้ำท่างน้เช่นเดียวกันขับไปขับมาขับไปลับมาโอ้ยคือสิลูสาราเว่ยสั่กลับมาสาราก็บม่เห็นลับไปขับมาอย่างนหาอย่างนั้ขึ้นก็ไม่ก็ไหลเลาะันทางนั่นะ ขึ้นตนเหมือนแล้วแร่ขึ้นตนแค่แล้วพอขึ้นตนก่อแล้วค่อยขึ้นจอมดอยเหล่าลำขึ้นตนแม่ตั้มเหล้วหาก็ะมองเห็นดวงตาสองกรพ้าแม่แม่ก็อ้วยอ้วยนานงางไห้ก้มขาบไหวพ่อแกนไถ่ลี่ลาหฮวงจวนตาเมื่อเศร้าพ่อเขือเจ้าก็จึงบอกแม่พ่อเขื่เจ้าก็ว่าอยากบอกแม่จะข่มแลยหน้าหัวเสือกินหรือว่าไม่เห็นห้อยลากหูว่าน้ากินลือ เ่าเห็นหนามตีฟ้องไปคั่วที่เอาหาแน่น้องและปลาหย่าเ่าเห็นแก้วกับผ้าทั้งสองเนีน่ามือเสามากับบอกแล้วบาดเอ้ยหน้ามาที่เอ้ยเพื่อนสองกุ ม, มารทั้งครูลูกแก้วลูกกับตนเข้ากระดห้ท่านแก้ผ้ามอันค้นขวายเต่าเขามา่าจะวันนนี่แล้วก็พีไรนนนนนนหน้าจัดเตือนมือเสามากหน้าอนุโมทนาสาธุการสาธเพื่น น้ามาโอ้ยตะกี้กับพ่บอกหนาะว่าั่นคันบอกตะกี้สิเดอนุโมทนาตะกี้สาว่าั่นเครียดไอ้ผัวได้สรบท่นว่าผัวพ่อบอกโตขึ้นมาแล้วก็ได้อนุโมทนาสาธุการท่นแผ่นดินดานไว้วันเสียงสนนนเท่าถึงพ่มว่าท่นน้ามหาสมุทรก็ตีน้องฟ้องฝากเลยนั่นนั่น เนี่ยมูเฮ้ามาได้่ยป่านันดอกเออมูเฮ้ามาไน้่าตปานันดอกเฮ้ามาปัถนะเป็นพระพุทธเจ้าน้าปัตนาเป็นสาวกสาวพิสาอือซํานี่ก็พ่อตีเยอะแล้วมูเฮ้าอ่ะสวนฐานะมูเฮาอันนั้นเพิ่งลงทุนหลายป่านาเาเพิ่งได้กไรเพิ่ก็ได้หลายขนาดนี้นั่งโยสิทวงหดนี่ผู้นี้นึกไปสิมี่ผู้นี้นึกไปแสินี่ผู้นี้นึกไปสิว่า่เ่อไเขาสามารถที่เรื่องนะไรที่เพิ่งจะต้องการมาใช่ไ เออไปเป็นจบเป็นจบเป็นจบพุโ ท, โ, ท โ, โ, โอตะโมตะโกยุวโนสัขังพลางใครเป็นผู้ขับรถด้าขับรถแข่งทางปลอดภัยอยไปแข่งทางบื่นผายแข่งทางมือผายเดี๋ยวก็เพ่งไปภาวนาพุทธโอด้วยโตก็จะไปวะ ไ, ไปไม่เปน็นร่องหรอเอไปเป็นจบเป็นจบวันจะทำไงฮะ เริ่มและปนนลา น, นิเริ่มห่มกันละถ้าพระนอมเพิ่มห่มกันเริ่มห่มกันล่ะพระเทระสั่นที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่นที่สองพระมหาเทระสั่นที่หนึ่งคือพระคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหาเทระสั่นที่สองคือพระพัจเจพระมหาเทระสั่นที่สามคือพระสาวก นนอรหันตาทั้งหลายตลอดถึงเพศหญิงที่เป็นพระอรหันต์ตาพราวกสั่นต่าลงมากคนนั่นอีกคือพระหนาข้ามินับทั้งเพศ ช, ชายและเพศหญิงพระมหาเชลต่าลงมา ก, ก, นนกคนนั่นอีกคือพระสร้านาข้ามิต่าลงมากคนนั่นอีกคือพระสกทาข้ามิต่าลงมากคนนั่นอีกคือพระทศราบันต่าลงมาก ก็นั่นเองคือพระมหาเทระพุธตสุนคนหาที่เป็นเทระแก่พันษาอยู่ในปัจจุบันสมือนี่ก็ดีหรือหลวงไปแล้กวก็ดีเนื่องว่ามูเฮาทั้งหลายทำพิษพระมหาเทระทั้งหลายเรานั้นด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันไหนอันนึงมาแต่พกรสกรกากอนก็ดีในปัจจุบันนี่ก็ดีจะเป็นไปในข้างหนา้าก็ดีขอให้พระมหาเทระทั้งหลายเรานั่น จงส่งอโศดให้แกมูเฮาอยู่ถูกมือ่อขอให้มูเฮ้าประสบเจ้ความสุขความเจริญแน่บอกว่าพระพุทธศาสนาของพระสมณะพระพุทธเจ้าทุกๆด่านทุกๆมุมใน ท, ที่ชอบจนถึงที่สุดทูกโดยสอบอยู่ถูกเงาไม่มีกามานก็กาเทินในระวางมูเฮ้าทั้งหลายทั้งทม่านี้ก็ดีทั้งทเทปมาสก็ ด, ททกดีทั้งทั้งไตรโลกธาตุต่างฝ่ายต่างในถ้ำพิษกันด้วยกา ย, ยกรรมสามวิจิกรรมซีมโนกรรมสามอันนี้อันหนึ่งก็ดี มูเฮ้าทั้งหลายทัย่วทั้งไตโลกธาตุตั้งไฟตั้งแห่โหชิกรรมแก่กันและกันทุกส่วนหนาอยู่ทุกเมือบ่มีพระมาณตาตาเท่าเข า, ส, าสูบุิพานสัพพทุกสัสัพสสพโลกสัพพเวนสัพพัยสัพพเสันรสัพพอันตา้าใดๆก็ดีย่านมีมาผ่องผ่านแก่มูเฮ้าทั้งหลายทั่วทั้งไตโลกธาตุอยู่ทุกเมือบ่มีพระมาณ น, นั่นก็คาเทินอห้างตมเหฮหีปิมีคำ ม, มีตาบาง ยัตถาปังกตังกมังปุสเรนะปิหีตีโซมังโลกังมาพาเสตีอาหุโตจันธิมาพิวาตนาสีธิสาริจังวิชาประชาเยโลยัตตาโรธรรมาวัฏทันติอายุวโนสุขังพะลังภะมนาวัตควัดเวียงจิตใจและความประพฤติให้ออกนี้จากโลกให้ออกนี้จากความโลภความโกรธความหลงของมก้าตัวแต่ละลายละลายของบุคคล ถ้าโลกไม่มีอุปสรรคการเบื่อหน่ายโรค ก, ก็ไม่มีถ้าเกิดแก่เก็บตายมันสมประสงค์การที่จะเบื่อหน่ายความเกิดแก่เก็บตายมันก็ไม่มีถ้าโรคโกดลงมันสมประสงค์การเบื่อหน่ายโรคโกดลงมันก็ไม่มีเหตุฉะนั้นมันไม่มีสมประสงค์สังกาดจึงเป็นเหตุไม่ให้นอนใจ จึงเป็นเหตุให้ยินดีในการขอมปฏิบัติจะปฏิเสธไม่ได้การอาบน้ำปฏิเสธไม่ได้พระสกปกโศมม น, ชนาชกุลนาลงกายการปฏิบัติสินธรรมเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันทำไมจึงปฏิบัติก็เพราะ มันไม่มีสิ่งที่สมประสงค์ถ้ามีสิ่งที่สมประสงค์แล้วความนอนใจในวัฏจักรงสารก็ต้องมีความนอนใจในวัฏจใักรสงสารไม่มีก็เพราะเหตุในวัฏจักรสงสารไม่สมประสงคอุปศักดเป็นยาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อหนายคลายเมาในวัฏจักรสงสารมนุษย์โลกเทวโลกโลก พรมโลกสัพพโลกตั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกสังขา ร, รโลกเมื่อผลลัพธ์คือทุกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารคืออะไรว่าสังขารยน่นลงมาเป็นสองอุปาทินอากาสังขารสังขารที่มีใจครอง อนุปาทินนักสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองสังขารทั้งสองอย่างนี้สังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นก็ดับไปอดีตแล้วสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็จะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับในปัจจุบัน เมื่อโลกเต็มไปด้วยสังคารเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วพราแปรปรวนแต่ตลาดอย่างนี้ก็อสอนแสดงให้เห็นโลกให้หลาเห็นแล้วว่าโลกไม่มีที่ลีแลับเปิดเผยอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอย่างผึ่งพายจตุสัจทะทันทังทันดังความทุกอ น, นิอนสัตสีนั่นก็ดี เปิดประกาศอยู่มอนกรองตีอยู่ไม่มีกวันกลางคืนนัิโลเกระหูนามะความรับไม่มีในโลกแก่ก็แก่อย่างผึงผายเก็บก็เก็บอย่างผึงผายตายก็ตายอย่างผึงผายหิวข้าวได้หายนา้าปวดอุจจระปัสสาวะ ซึ่งแสดงอาการปวดแสดงอาการทนได้ยากความไม่สบายกายใจไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นของทนได้ยากเหตุฉะนั้นจึงมีสิ่งปฏิบัติเพื่อคนจักทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเหตุที่จะปฏิบัติเพื่อคนจากทุกข์ถ้าไม่มีมืดก็ไม่มีสว่างมาแก้มั่น ถ้าไม่มีงูก็ไม่มีฉลาดมาแก้ถ้าไม่มีขี้เกียจก็ไม่มีความขยันมาแก้แก้ก็แก้ที่รวงใจของเราแต่ละท่านแต่ละคนทุกเกิดก็เกิดขึ้นที่รวางใจทุกไปมาเพราะเหตุอะไรเมฆมีมาเพราะเหตุชาติเป็นเหตุชาติมีมาจากอะไรชาติก็มีมาจากภพ พบเมมาจากอะไรก็มีมาจากตันหาความทะเยอทะยานในโลกทั้งบวงตันหามีมาจากที่ไหนก็เมก็มาจากอุปท า, านเหมือนกันเพราะยึดมัน่นถือมัน่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาัตตาฉะนั้นพระพรทมศาสดาจึงสอนให้เรารู้ตามเป็นจริงพระเทวดาตามเป็นจริง ลดพ้นจากความหลงของเจ้าตัวตามเป็นจริงไปเป็นตอนตอนรู้ตามเป็นจริงตอนไหนตอนนั้นไม่ขบคืนและไม่สงสัยออกเราจะข้ามทะเลหลงด้วยวิธีไหนด้วยวิธีไม่หลงเราหลงอยู่เดียวนี่หลงอะไรบ้างหลงหนังห้ม อ, อยู่โดยรอบว่าเป็นของเที่ยง หลงหลังหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเป็นของสุขหลงหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเป็นของตัวของตนหลงหนังอยู่โดยรอบหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลหลงหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเป็นของสวยของงามคือโลกภายในอัจฉริโลกสังขารภายในอัจฉริสังขาร ทุกภายในคืออัจฉริทุกไม่ใช่ทุกภายนอกอันนี้จังภายในคืออัจฉริอันนี้จังภายในส่วนของภายนอกนอกจากตัวเราไปหรือท่านผู้อื่นไปนอกจากตัวเราไปก็เขียกว่าของภายนอกนอกจากตัวที่สมมุติว่าเราเราเป็นของภายนอกอันนั้นก็มีลักษณะอันเดียวกันไม่นอกเหนือกั น, นแต่ก็แนแปรปรวนและแตสลายทั้งนั้น เห็นอนิจจังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยอดีตคืออะไรคืออนิจจังที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออนิจจังที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออนิจจังที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึง ปัจจุบันคือกองทุกที่กําลังเป็นอยู่เอาปัจจุบันเป็นตัวประกันมีทั้งเขาทั้งหนังด้วยมีทั้งบัญชีมีทั้งตัวเงินด้วยอดีตล่วงไปแล้วมีแต่บัญชีเงินใช้ไปแล้วอนาคตเงินยังไม่ทมันมีมีแต่บัญชีเพราะยังไม่มาถึงปัจจุบันมีทั้งตัวเงินด้วยมีทั้งบัญชีด้วย จะมีน้อยมีมากก็ดีจะฉลาดมากฉลาดน้อยกว่าตามก็เอาปัจจุบันเป็นเกณฑ์ศีลก็ตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบั น, น, น, ป, จจบนปัญญารอบรู้ในปัจจุบันพุทโธแปลผู้รู้ละบาบมเป็นบุญในปัจจุบันธรรมโมทรงไว้ซึ่งผู้รู้ระบาบมเป็นบุญในปัจจุบันสังโฆ แปลว่าปัจจิบัติผู้รู้ในปัจจุบันตกลงพุทโธธรรมโอสังโฆพุทธศาสนาธรรมศาสาสนาสังฆศาสตน า, ศาก็อยู่ที่ดวงใจทําดีแล้วก็ไปอยู่ใจไม่ได้ต้อนเข้าข้อยากเหมือนโคและกระบื้องทำชั่วแล้วก็ไปอยู่ที่ใจไม่ได้ต้อนเข้าข้อยากเหมือนโคและกระบือ สีมีตัวเดียวคือตัวใจสมาธิตั้งมั่นในใจมีตัวเดียวปัญญารอบรู้ในใจมีตัวเดียวตกลงเป 14, รตหมื่นสี่พันถ้มขันก็ย่นลงมาหาใจเรียกว่าสีล้าขันสมาธิขันปัญญาขันรมเกินกันอยู่ที่ใจผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาสิ้นห้าไม่ได้ ผู้ไม่มีศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนก็รักษาศีลห้าไม่ได้ผู้ไม่มีศรัทธาความเชื่อก็รักษาศีลห้าไม่ได้และก็ไม่เรียบไพระพุทธศาสนาด้วยเมื่อศรัทธาเชื่อในพระพุทธศาสนาแล้วเศรงฐีอื่นก็ค่อยเป็นไปเชื่อคําสอนพระพุทธศาสนาว่าเป็นคําสอนที่เลิศโลกทั้งปวงคําสอนใดใดในไตรลูกธาตุ จะเสมอเหมือนคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยถ้าว่าสงสัยว่าคําสอนอื่นๆจะประเสริฐเลื่อนล้ำกว่าคําสอนพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ลงพระพุทธศาสนาไม่เสน็จเมื่อลงไม่เสน็จเราก็ต้องสงสัยเมื่อสงสัยแล้วก็จิตใจก็สายไปมา เป็นไม่รอยน้ำเพราะไม่แน่นทช่แล้วเพราะไม่ตกลงใจคิดวิจิตคิดฉาเราทราบดีอยู่แล้วว่าคำสอนใดในไตรลกธาตุไม่เหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาหรอกพุทธวริษัต์องค์ท่านก็สอนบริบูรณ์มีพิชุสัมเบณีอุบาสกอวาสิกาฆราวาสก็สอนบริบูรณ์จึงทรงเน้นว่า ปัญธิโตคารมาวะสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือนบันทิตเป็นผู้ครองเรือนก็นคือผู้มีศีลห้าบริบูรณ์ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากล่วงอบายมุขทุกประเภทไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากจะสาบแช่งท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากจะขอดเวรท่านผู้ใด ไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีนี่คือผู้ถึงสุปฏิปันโนแล้วเนี่ยผู้เห็นธรรมแล้วผู้ฝังแน่นในพระพุทธศาสนาแล้วท่านจะอยูคะราวาหรือบรรปะคิตท่านเขามีรักจิตรักใจแล้วไม่สงสัยไปทางอื่นเลย มีผู้ดึงไปเลื่อใสยในรัฐที่อื่นๆท่านก็ไม่ไปเออเอเออเอแล้วก่นแล้วไปก็แก่รำคาญแต่ท่านไม่ไปไม่แวะซ้ายแลขวาเดินหน้าเลยไม่ถอยหลังเลยจะช่าเยอะเร็วก็เดินไปทางหน้าเดินทางกิจทางกายทางความประพฤติข้าขว่าถือว่าคำสอนของพุทธศาสนามีพระคุณค่า มากกว่าวัตถุใดๆทั้งปวงในโลกมีคุณค่ากว่าวัตถุนิยมไม่เก่าเป็นไม่เน่าเป็นไม่ขาดไม่เปื่อยเป็นเพราะเป็นมรดกที่ไม่สูญหายไปไหนตกน้มก็ไม่หายตกไฟก็ไม่รอดโจนควรักคาสอนพระบรมศาสนาไปไม่ได้ไฟก็ไม่ไหม้น้าก็ไม่ท่วมถ้าถือว่าคำสอนของพุทธศาสนา เลิศ ก, กว่าคำสอนใดทั้งปวงบริบูรบทั้งพิพุทธสมเด็จอบาสก์บาสิกาเนี่การจะวางแผนปีนเกลียวพระพุทธศาสนามันก็ไม่เสียดายไม่เสียดายอยากลองละเมิดเิ้นห้าด้วยเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการไม่มีเิ้นห้าบริไู้นั้นสะสมแต่บาปใส่ตนเองโดยไม่รู้ตัว การที่มาถึงพระพุธะทธธรรมประสงค์เป็นสารณะนั้นก็คือสะสมแต่บาปใส่ตัวนั่นเองโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยเมื่อเห็นชัดอย่างนี้แล้วจึงไม่ยอมถือศาสตราอื่นจึงยอมเชื่อคำสอนและพุทธศาสนาเราจะเข้าสู่พระิภานไปนานสักเพียงใดก็ตามคาสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสตราแทนเรา ขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทอรมมาดีนะซ้ำปาดีธาติท่านทั้งหลายจงยังความประมาทให้ถึงพ้อมนุ้เราจะลาพวกท่านไปละสึ่งใดๆเราก็บอกพวกท่านได้หมดแล้วไม่มีที่พิษบางอัมพรางเลยเราจะลาพวกท่านไรละพุทธบริษัทเอ๋ยอย่ามาหวังอะไรครับเราเถิดเราทิ้งมอและดกให้พวกเธอพวกท่านพวกคนพวก สู่เจ้าทั้งหลายแลว้วอย่ามาหวังเอาอะไรครับเราเถิดไม่เหมือนทรัพย์ภายนอกเนอ้อทรัพย์ภายนอกผู้ใดมือยาวก็สาวได้สาวเอามันก็หมดเป็นทรัพย์ภายในที่เราแบ่งให้พวกเธอทั้งหลายเนี่ยใครจะเอาทักเพียงไหนก็ไม่หมดเนอ้อไดน้อยได้มากมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองเพราะตัวไม่เอาไม่ใช่ทรัพย์เราจะหมด ที่เราเทศได้วนยะเธาทั้งหลายจงเอาเถิดจงปฏิบัติเถิดตามสิทธิกําลังของพวกเธอนั่นเองนั่นซับภายนอกมันหมดเป็นซับภายในมันหมดได้เป็นมรดอกมาขอศีลกับพระไม่ใช่พระจะเอาศีลให้ก็มาบอกพิธีเอาศีลเฉยแต่อาที่แท้ก็ศีลอยู่กับเจ้าตัวเองพระเป็นผู้บอกเฉยไม่ใช่ศีลอยู่กับพระศีลอยู่กับเราัเอง ปานาทิปาตาเวรมณีนะั้นท่านทั้งหลายอย่าไปฆ่าซัตเตอเวรมณีแล้วเละเว้นแล้วสิกขาปัทังสมาธิามิเป็นสิกขาบทหนึ่งหนึ่งอัินนาทานาเวรมณีเวรมณีให้เธอทั้งหลายเว้นซะตเตอรสิกขาบทอื่นๆก็เหมือนกันศินห้าเมื่อไม่ร่วงแล้วเมื่อก็มาเป็นสินตัวเดียว เป็นเชือกห้ากีเอาอยู่ในใจเรานี่เองในปัจจุบันเลยไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดแล้วมันจะลําบากทำไมที่มันลําบากอยู่ก็เพราะเหตุว่าเราเสียดายอยากร่วงละเมิดอาบายามุกก็เหมือนกันถ้าเราไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดมันจะลําบากทำไมเราเสียดายอยากร่วงละเมิดมันก็ลําบากเสีย ค่าค้ำน้าลายเราเบื่อทิ้งแล้วเราไม่เสียดายอยากเอาคืนมาใส่ปากอีกมันจะลําบากทําไมนั่นเช่ น, ร เ, นเราแบกของหนักหนักเราทิ้งลงตูมและเป็นน้าปักบาด้วยแทงมาด้วยเราเสียดายทาไมเราก็ไม่เสียดายเราก็เช่นเรากรำทานไฟแดงร้อนเราไม่เสียดายอยากจะกำไว้เราเรียกางจะตายนั่นโอ้ยไม่วางหรอกเสียดายจะกํำไว้เราไม่ว่า เพราะเราเห็นว่ามันร้อนชั้นใดก็ดีอาวาัยะมุขทุกประเภทหรือศีหลหน้า ก, ก็ดีถ้าเราเร่วงละเมิดเราเห็นว่ามันบาปจริงงั้นความดีคนดีทําได้ง่ายความดีคนชั่วทําได้ยากความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายความชั่วคนดีทําได้ยากแมลงพึ่งแกสอนบอกไว้แมลงพึ่งหาง่ายทําได้ง่าย มูดพูดแมลงพึ่งหาได้ยากทำยากแต่แมลงวันมันหาได้ง่ายมันถือว่าเป็นของทิพมันของทิพแมลงวันมูดพูดคือของทิพแมลงวันแกสอนออกมาคือของทิพแมลงผู้แมลงพึ่งประชาธิปไตยของแมลงผู้ผู้แมลงพึ่งแมลงวันประชาธิปไตยของแมลงวันกับมูดพูดคือสังคมนิยมของแมลงวัน สังคมนิยมของแมลงพึ่ ง, ส, ง, งศาศาสังคมนิยมของนักปราดก็คือพระพุทธศาสนาสังคมนิยมของนักเปรตก็ตรงกันข้ามผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนงโง่คนสร้างบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วผู้พอจะสนเข็มได้แล้วผู้มาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็คือคนตาบอดจะมาเลื่อมใส ย, ยังไงได้ เราจะไปข่มนนเหงให้คนตาบอดมาถนเข็มเถ่นี่ทุกข่มเหงก็เป็นว่าเหมือนกันนั่นเหตุ น, นั้นพระบรมศาล า, า, าจึงวางพระพุทธศาสนาไว้เป็นขอ ง, ก ล, งกลางให้มีสิทธิ์เลือกใช้เองไม่ให้ถูกบังคับไม่ให้ถูกกดขี่บังกันโครถ้าถูกบังคับถ้าหยุดบังคับแล้กวก็ตะกรง ข, งขบคืนไม่ให้ต้องให้มีเครื่องก้างรางวัน ถ้าให้มีเครื่องจ้างรางวัลพอเครื่องจ้างรางวัลมาหมดแล้วมันก็ขบวตคืนมันไม่เหมือนศาสดาอื่นศาสดาอื่นเขาเอาของเล็กๆน้อยๆมาจ้างเราแต่พอเขาร่อยจมูกเราแล้วเขาเอาไปทำต่างๆเราเป็นนกเป็นปลาก็ต้องเป็นนกเป็นปลาที่ฉลาดอย่าไปติดเบ็ดติดแล้วของนายพรานที่โปรยเราไว้